วันนี้เป็นกรณีพิเศษหลังจากได้เฮือนห่างมานานในการศึกษาพระธรรมบทปีที่แล้วก็ได้นนำทางแห่งความดี มาอ่านหรือมาเล่าสู่กันฟัง เ, เป็นผลงานของอาจารย์วระสินอินทสระเรื่พวกเราก็คงคุ้นเคยดีไม่ดีวันนี้ได้เล่มสองอก็เลยเอามาสืบต่อจากเล่มหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นการประดับความรู้แม่ใครได้อ่านได้ผ่านมาแล้วก็เป็นการ ตอบย้ำหรือเสริมเพิ่มเติมให้เกิดความแน่นมากขึ้นดีกว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเราในฐานะเป็นชาวพุทธจำเป็นต้องศึกษาคำสอนโดยเฉพาะคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวาทางแห่งความดี วันนี้จึงจะนำเอาเล่มที่สองมาอ่านสู่ฟังตามโอกาสตามเวลาที่จะเอืออำนวยให้บางวันติดธุระอาจจะไม่ได้มาแต่ก็วันไหนว่างพอจะมาได้ก็จะพยายามลงมาถ้าสุขภาพยังดีอยู่อายุมากขึ้นตาประสาทสัมผัสก็ช้าหน่อยอาจจะ ตัวหนังสือก็ไม่เหมือนแต่ก่อนสายตามันก็ไม่ค่อยดีก็จะพยายามในึ้นเล่มใหม่อ่านบทนำสักหน่อยหนึ่งก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องธรรมะเผื่อจะได้รู้ที่มาที่ไปบ้างคำนอบน้อมของผู้เรียบเรียงพระเถระใด นามว่าพุทธโคสาจารย์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเสียงกล้าวซึ่งพระเถระนั้นผู้มีคุณสมุทัยเป็นอเนกมีศีลอันบริบูรณ์และอาระอันงามเป็นต้นเป็นผู้ประดับด้วยคุณคือศรัทธาความเพียรและปัญญาผู้ซื่อตรงอ่อนโยนฉลาดในลัทธิของตนหลวงเล็บ คือพระพุทธศาสนาและลัทธิของผู้อื่นวงเล็บคือศาสนาอื่นๆมีญาณและปัญญามิได้ติดขัดในคำสอนแห่งพระาศาสดาฉลาดรอบรู้ทั้งในพระไตรปิฎกและอัตถกถฐามีความชำนาญในวยาก์พูดได้ไพเราะอ่อนหวานเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมเป็นมหากวีเป็นเครื่องประดับของหมู่คณะ รุ่งเรืองดังประทีปในหมู่พระเถระด้วยกันมีความรู้ไม่ติดขัดในอุตริมนุสธรรมมีอภิน ญ, ญาหกและปฏิสัมพิทาสี่เป็นต้นมีความรอบรู้หมดจดบริบูรณ์ได้รจนาคำภีอัตถกถาธรรมบทไว้แล้วข้าพเจ้าได้อาศัยแนวแห่งอัตถกถาธรรมบทอันท่านเรียบเรียงไว้อย่างดีแล้วในภาษามาคตรหรือบาลีนั้น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 ขออุปสรรคอันตรายทั้งปวงจงสิ้นไปอย่าได้มาขวางกั้นการรดจนานี้ขอให้การรดจนาทางแห่งความดีจงสำเร็จลงด้วยดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้มุ่งประโยชน์ตลอดการรดนานเทินวสินอินทสระคำนำในการพิมพ์ครั้งที่4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 ขอวอวยพรให้สำนักพิมพ์และท่านผู้อ่านประสบความสุขและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทศระ20มิถุนายน2547ันาร้อสสคำนำสำนักพิมพ์เราเคยชินกับการเลือกดื่มกินน้ำและอาหารเข้าสู่ร่างกายทุกวันเพราะคิดว่า สิ่งเหล่านี้จะทําให้อิ่มท้องและดํารงชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยชราก็พบว่าน้ําและอาหารที่เราเลือกดื่มกินเข้าไปนั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างที่เราคิดเพียงอย่างเดียวมันกลับเป็นสาเหตุสะสมทําให้เราเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้เนื่องจากมีสารพิษปลอมปนอยู่ด้วยหากเราให้เวลาศึกษาข้อมูลและใส่ใจสุขภาพกายมากกว่านี้ เราคงปฏิเสธที่จะดื่มน้ำหรือกินน้ำและอาหารเหล่านั้นอย่างแน่นอนการเลือกทางเดินให้กับชีวิตที่เราปรารถนาความสุขความสําเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืนก็เช่นกันหากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถูกต้องแล้วย่อมเป็นสาเหตุให้ชีวิตต้องพลาดจากเป้าหมายหรือล้มเหลวในที่สุดทางแห่งความดีคือหนทางเดียวที่สามารถจะนาพาชีวิตของเราให้พบกับความสุขความสาเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงถาวรเพราะการเดินทางชีวิตผ่านทางแห่งความดีเปรียบเสมือนกับการเดินผ่านห้นทางที่ปราศจากพิษภัยและอันตรายใดๆแอบแฝงหรือซ่อนเร้นอยู่ย่อมโล่งโปร่งใสจนมองเห็นและรับรู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าสะอาดปลอดภัยมองเห็นทิศทางหรือเป้าหมายของชีวิตที่แน่นอนชัดเจนได้ในตลอดเวลาของการก้าวเดินไปตามทางแห่งความดีนี้ หนังสือทางแห่งความดีชุดนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธทุกคนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมอยู่ในหนังสือซึ่งมีด้วยกันสี่เล่มความหนาประมาณ 2,500 หน้านี้ท่านอาจารย์วศินอินทเระได้ร้อยเรียงขึ้นมาจากการศึกษาอัตถกถาธรรมบทซึ่งมีที่มาในพระไตรปิฎกซึ่งก็คือคาถาพระพุทธภาษิตที่เราคุ้นเคยกันดีนามาตั้งเป็นบทบทจัดแยกกลุ่ม แยกประเภทแล้วแปลความหมายพร้อมทั้งเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งยังนำเรื่องมาประกอบในรูปของนิยายอิงหลักธรรมเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ชัดเจนให้กับพระพุทธภาษิตแต่ละคาถาตอนใดเห็นควรแสดงความเห็นหรือบันทึกอย่างไรก็จะทำไว้ที่เชิงอัดหรือฟุตโนตด้วยทุกแห่งผลงานชุดนี้จึงนับเป็นสมบัติอันล้าค่า ชิ้นเอกของพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์วสินอินทศรรมีความตั้งใจไว้อย่างสูงยิ่งที่จะนำสมบัติอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนานี้มาบัรจงสร้างสรรผลงานในรูปแบบใหม่ให้ร่วมสมัยคืออ่านง่ายและทำความเข้าใจได้ง่ายนำมาประยุกใช้กับชีวิตได้จริงและถึงกับเคยปรารบกับสำนักพิมพ์ธรรมดาว่าเมื่อครั้งที่สามารถเขียนหนังสือชุดนี้จบลงได้ รู้สึกมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์แล้วและถ้าต้องตายในวันเวลานั้นเดี๋วนั้นก็จะไม่เสียใจหรือเสียดายชีวิตของตนเองเลยความคิดอันเป็นแบบอย่างที่ดีงามเช่นนี้น่าจะเป็นอนุสติเตือนใจให้พวกเราชาวพุทธทุกคนหันมาสร้างสรรหรือค้นหาสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนาที่ยังมีอยู่อีกอย่างมากมาย แล้วนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของตนเองและผู้อื่นอย่างผู้มีสติและมีปัญญาเพื่อช่วยให้พระพุทธศาสนาแห่งชีวิตนี้ยังคงเอื้อประโยชน์สุขแก่ทุกๆคนตราบนานเท่านานท้ายที่สุดนี้นับเป็นความเมตตากรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์วสินอินทเสะที่ได้อนุญาตให้สานักพิมพ์ธรรมดาเป็นผู้นาผลงานอันล้าค่านี้มาปรับปรุงจัดพิมพ์ใหม่ โดยแก้ไขในส่วนที่ยังมีคำผิดอยู่บ้างแล้ววาดภาพประกอบเพิ่มเติมเพื่อสื่อความหมายให้เป็นรูปธรรมและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นออกแบบปกและรูปเล่มใหม่ให้ร่วมสมัยน่าอ่านน่าจับและดูทรงคุณค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มอย่างประณีตเลือกใช้แต่วัสดุที่ดีและมีคุณภาพเพื่อช่วยรักษาหนังสือไว้ให้คงอยู่ได้ตราบนานเท่านานลูกหลานของเราจะได้มีหนังสือที่ดีชุดนี้ เป็นเข็มทิศหรือหางเสือให้เรือชีวิตดำเนินไปได้อย่างถูกทางและถึงฝั่งของความสุขความเจริญในชีวิตสืบต่อๆกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ธรรมดาทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง เรื่องใดที่พึงกล่าวเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดทมทางแห่งความดีนี้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงเรื่องนั้นไว้แล้วในทางแห่งความดีเล่มหนึ่งขอชี้แจงต่อท่านผู้อ่านเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยในทางแห่งความดีเล่มหนึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าจะจัดทำหนังสือชุดนี้เป็นสามเล่มคือภาค 1- ถึงสรวมเป็นเล่มที่1ภาค4ถึงรวมเป็นเล่มที่สองภาค7ถึง8 รวมเป็นเล่มที่สแต่เมื่อเขียนไปจริงๆก็ไม่อาจให้จบได้ในกำหนดสามเล่มที่ตั้งใจไว้ว่าภาค 4-6 ถึงจะรวมเป็นเล่มที่สองนั้นพอเขียนภาค 5, หวงเล็บของอัตถกาถาธรรมบทไปได้ข้นเล่มจำนวนหน้ากระดาษที่เขียนก็มากกว่าจำนวนหน้าของเล่มที่1เส่งะแล้วถ้าจะรวมเอาภาค6มาไว้ในเล่มสองด้วยให้ได้นังสือเล่มสองก็จะใหญ่กว่าเล่มหนึ่งเกือบเท่าตัว ปลายของภาค5กับภาค6เมื่อเขียนจบแล้วก็ได้ทางแห่งความดีอีก1เล่มเป็นเล่ม3ส่วนเล่ม4ี่คงเหลือภาค 7-8 ถึงอีกสองภาคจะพยายามให้จบในเล่มที่4จนได้แม้หากว่าจะหนากว่าเล่มอื่นๆไปบ้างก็ต้องยอมทางแห่งความดีเล่ม2นี้หนากว่าเล่ม1เล็กน้อยคือหนากว่าเพียง29หน้า หนังสือที่หนากันเพียงเล็กน้อยนี้เมื่อเย็บเล่มทําปกเรียบร้อยแล้วก็จะดูเป็นหนังสือขนาดเปียวกันข้าพเจ้าได้ทราบจากสํานักพิมพ์บรรณาการว่าหนังสือทางแห่งความดีเล่มหนึ่งเป็นที่สนใจของท่านผู้อ่านเป็นอย่างดีหนังสือเดินอยู่เรื่อยๆในท้องตลาดทําให้ข้าพเจ้าประปลืึมและมีกําลังใจในการจัดทําเล่มสองสและ4ต่อไปในเล่มสองนี้มีวิชาการเช่นปรัชญาและจริยศาสตร์ ประกอบคำอธิบายพุทธธรรมอยู่ไม่น้อยถ้าท่านอ่านอย่างพินิษท่านจะเห็นว่าพุทธธรรมนั้นไม่เคยล้าหลังทัศนะใดๆของนักปราชญคนใดเลยมีแต่เทียมกันหรือสูงกว่าเท่านั้นจึงควรเป็นที่ปลื้มใจอย่างยิ่งของชาวพุทธที่ได้มีผู้ยอดเยี่ยมเป็นพระาศาสดาและได้นับถือภาษาศาสนาอันยอดเยี่ยมของพระาศาสดาพระองค์นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนยันไว้ณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยความมั่นใจว่าความดีเท่านั้นเป็นสาระอันแท้จริงในชีวิตมนุษย์เว้นความดีเสแล้วมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่น่ากลัวที่สุดสังคมที่ไม่มีความดีเป็นแกนกลางสําหรับให้ทุกคนยึดนั้นเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างยิ่งควรหลีกให้ห่างไกลเป็นอย่างยิ่งสังคมเช่นนั้นย่อมแข่งขันกันไปสู่ความหายเนะ เป็นสังคมที่ไม่มีธรรมความจริงการสอนธรรมหรือประกาศธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดการสอนธรรมเป็นธรรมทานพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าไม่มีทานใดยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมทานแต่ผู้สอนธรรมจะมีความรู้สึกเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ประพฤติธรรมตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้เห็นโทษของการล่วงธรรมและอานิสงค์ของการประพฤติธรรมมาแล้วด้วยตัวเอง พระพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้รมชนะอาธรรมในสังคมไทยทุกแห่งขอให้บุคคลผู้ประพฤติธรรมจงมีความสุขความรุ่งเรืองเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นประจักษ์พยานในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมวสินอินทศระมาคบูชา17กุมภาพันธ์สอ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 บัดนี้จักได้แสดงธรรมกกถาสืบต่อไปจงผ่ากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหนึ่งผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้พระพุทธภาสิทธิ์นิธินังวะปะวัตตารังยังปัฏเสวัชทัทสินังนิใครหะวาทิงเมทาวิงตาทิสังปันดิตังพระเช ตาทิสังพระชมานัสสะไสยโยโหตินปาปิโยความว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อครบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลย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 การเตือนคนอื่นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายผู้เตือนจะต้องเสี่ยงต่อหลายอย่างการตัดสินใจเตือนผู้อื่นเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งที่กล่าวนี้หมายถึงผู้เตือนด้วยความหวังดีมิใช่ผู้มุ่งร้ายพระอธิกษาจจา์กล่าวว่าผู้ชี้โทษนั้นมีสองพวกคือผู้แสหาโทษคอยจ้องหาความผิดของผู้อื่นพวกหนึ่งคนพวกนี้ชอบตำหนิติเตียนหรือทักท้วงข้อบกพร่อง ของผู้อื่นท่ากลางชุมนุมชนด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เขาละอายพวกนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งคือท่านผู้หวังความเจริญและผู้ถูกเตือนมีความเจริญด้วยศีลเป็นต้นมีความประสงค์จะอุ้มชูเพราะความเอ็นดูในเขาต้องการให้รู้สิ่งที่เป็นโทษดำเนินในสิ่งที่เป็นคุณพวกที่สองนี้ดีเมื่อเตือนใครคนนั้นไม่ควรโกรธ ควรทำความรู้สึกในท่านผู้นั้นว่าเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้สำหรับภิกษุควรประวรณาวงเล็บเปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านอยู่ในฐานะอุปชาอาจารย์ของกระผมเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่กรุณาเตือนกระผมต่อไปขอท่านได้โปรดเตือนกระผมอีกเมื่อกระผมได้กระทําสิ่งใดอันไม่เหมาะไม่ควรดังนี้เป็นต้นข้อว่ากล่าวปราล์ม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 สวนอาจารย์หรืออุปชาที่ดีนั้นเมื่อเห็นข้อบอกพร่องของศิษย์แล้วจะต้องลงทันตกรรมคือลงโทษหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันสมควรแก่โทษดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนนว่าดูก่อนอาหนนเราจะกล่าวค่มเราจะกล่าวค ม, เ ร, วคมเราจะกล่าวยกย่องเราจะกล่าวยกย่องผู้ใดเข้มแข็งมีสาระในาศาสนาก็จักอยู่ได้ดังนี้ เป็นครูบาอาจารย์ของเขานั้นต้องตักเตือนเป็นสั่งสอนเป็นครูอาจารย์ที่ศิษย์รักในบ้านปลายก็คือครูอาจารย์ที่หมั่นสั่งสอนวิชาอบรมให้เป็นคนดีปลูกฝังให้เป็นคนมีอุดมคติมีหลักใจส่วนครูอาจารย์ที่ปล่อยประละเลยศิษย์อาจเห็นเป็นทางสบายในเบื้องต้นแต่ก็จะดูหมิ่นในเบื้องปลายถึงจะมีความเคารพนับถือก็ไม่แน่นแฟนเพียงสักดิ์แต่ว่าแสดงความเคารพนับถือ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 แต่ก็มีผลอันน่าชื่นใจเป็นอันมากในบ้านปลายกล่าวถึงผู้ถูกเตือนเมื่อรู้ถึงความหวังของผู้เตือนแล้วก็ควรรับคำเตือนด้วยความเคารพให้ความหวังแก่ผู้เตือนว่าคำตักเตือนสั่งสอนของท่านจากไม่เป็นหมันเสียทีเดียวอย่างน้อยผู้ถูกเตือนก็นำไปปฏิบัติตามบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดก็พยายามเพื่อปฏิบัติเช่นนั้นอย่างนี้ท่านเรียกว่า ผู้ว่าง่ายสอนง่ายความเป็นคนสอนง่ายนั้นเป็นสเสน่ห์เป็นทางผูกมิตรเป็นกุญแจสำคัญไขไปสู่ความดีงามต่างๆอีกมากมายหลายหลากเป็นที่ยกย่องของบัณดิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังเช่นพระราธะเทระมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้พระราธะเกิดในสกุลพราหม์เมื่อเป็นครือขันไดเป็นผู้ตกยากในยามชารา จึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดายหญ้าวัดกวาดบริเวณวัดและถวายน้าล้างหน้าล้างมือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ลาทะอยากบวชเหลือเกินแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวช ด, ด้วยเห็นว่าแก่แล้วพราหมณ์นั้นสูบหอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปณิสัยของสัตว์โลกทรงเห็นอุปณิสัยแห่งพระอระหัด ของราธพรามเจึงเสด็จไปยังที่ที่พรามกวาดลานวัดอยู่ตรัสถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพรามกราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพได้อาศัยหลับนอนสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชพระาศาสดาทรงปราบรบเรื่องราธพรามนี้รับสั่งให้ประชุมสงฆ์ตรัสถามว่า ใครละลึกถึงอุปการะของพราหมณ์ได้บ้างพระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านละลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบินทบาทอยู่ในกรุงราชครืพราหมราตะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรเธอช่วยเพื้องทุกข์ของพราหมณ์ผู้เคยเป็นอุปการะนี้มิควรหรือได้พระเจ้าข่าพระสารีบุตรทูลข้าพระองค์จะให้พราหมณีบวช เมื่อพระราธะบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการขบฉันเพราะเป็นพระใหม่บวชภายแก่พระสาริบุตรจึงพาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆพร่ำสอนอบรมตักเตือนอยู่เนืองๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำพระราธะเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สาเร็จอรหัตผล พระสารีบุตรนําพระราทพามกลับมาสู่สํานักของพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีพระศาสดาตรัสถามว่าสิทธิของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่ว่าง่ายแล้วเกินพระเจ้าข้าพระสารีบุตรทูลเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นความผิดบกพร่องอะไรอะไรแล้วกล่าวสอนอยู่พระราทะไม่เคยโกรธเลยสารีบุตรหากเธอได้สถิงวิหาริกอย่างนี้จะรับได้สักเท่าใด รับได้มากมายทีเดียวพระเจ้าค่าวันหนึ่งพิกูุ์ทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่าพระสารีบุตรเทระเป็นผู้มีความกระตันยูกะตะเวทีระลึกถึงอุปการะของพราหมณ์แม้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวเป็นอุปชาให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้วนับมาได้ทากิจที่บุคคลอื่นทำได้ยากฝ่ายพระราธก็เป็นผู้ว่าง่ายอดทนต่อโอวาท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 ใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำคนมีความกตัญญูย่อมไม่ถือเอาข้อบกพร่องเล็กน้อยของผู้มีคุณมาลบล้างคุณความดีส่วนใหญ่ทํานองเอาใบบัวปิดทองฟ้าแม้ใบบัวนั้นอาจจะปิดตาของตนไม่ให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ท้องฟ้าย่อมปรากฏแก่คนทั่วไปอยู่คน กตัญญูมีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมส่วนคนอกตัญญูมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญพระศ า, าสดาทรงทราบข้อที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าไม่เพียงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระสารีบุตรก็เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งถูกตอไม้แหลมตาเท้าเดินไปไหนไม่ได้พวกช่างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่า ช่วยกันถอนตอไม้แหลมนั้นออกจากเทา้านำยาสมุนไพรามาพอกให้ช้างนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนโปรดดูความพิสดารในอรีณกิตตชาดกและอัตถกถาแห่งชาดกนั้นพระศาสดาทรงปรารบภาษาลีบุตรตัดเรื่องช้างนั้นแล้วทรงปรารบพระราธะ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 นั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบอยู่มีแต่ทางดีไม่มีทางเสียเลยนัยยะต่างๆได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขอเพิ่มเติมในตอนนี้เกี่ยวกับผลดีของการครบบัณฑิตและผลเสียในการครบคนผานอีกเล็กน้อยว่าคนฉลาดมีอัธยาศัยเป็นบัณฑิตย่อมพอใจคบกับบัณฑิตคนโง่มีอัธยาศัยเป็นคนผานย่อมพอใจคบคนผาน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 2. ผู้เป็นที่รักของสัตรบรุษพระพุทธภาษิตโอวเธอยานุสาเสยะยอสพาจะนิวาระเยสตังหิโสปิโยโ ห, ต, ต, หติอสตังโหติอปิโยคำแปลผู้ใดโอวาทสั่งสอนห้ามจากอกุศลกรรมคือกรรมชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตรบรุษ แต่ไม่เป็นที่รักของอสัตตบุรุษอธิบายความสัตตบุรุษคือคนดีย่อมพอใจในโอวาทอนุาสา์ของผู้หวังดีต่อตนไม่อิ่มไม่เบื่อเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำเขาพอใจในคาสุภาษิตใครห้ามจากความชั่วได้รับความนิยมนับถือจากเขาเสมือนพี่ชายมารดาบิดาหรือญาติที่สนิท แต่อสัตว์ป like รุหค um. e ือคนชั่วย่อมไม่พอใจในโอวาทหรืออนุสาสตเช่นนั้นคำสั่งสอนตักเตือนของบัณฑิตเมื่อตกไปถึงเขาแล้วเป็นเสมือนตกลงไปในหินหามีการดูดซึมแต่ประการใดไม่นอกจากนี้เขายังจะโกรธเคืองคนที่ตักเตือนด้วยความหวังดีซสอีกเขาอาจกระด้างเพราะมีทรัพย์เพราะถือว่าตนมีความรู้เป็นผู้ใหญ่ แล้วไม่ควรที่ใครจะพึงว่ากล่าวตักเตือนเขาเขาทำตนเสมือนคนนวกต่อคําตักเตือนของผู้หวังดีมีลักษณะโง่แกมหยิ่งประกอบด้วยมานะวงเล็บคือความทะนงตนและมักกะคือการลบหลู่คุณของผู้มีคุณอยู่ในนิสัยสันดานคนเช่นนี้ย่อมจะต้องปรากฏด้วยกรรมของตนเองหาความสุขความเจริญได้ยาก พระอธิกษาจารย์อธิบายความแตกต่างของคําว่าโอวาทและอนุาสา์ไว้ดังนี้เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงกล่าวสอนเรียกว่าโอวาทเมื่อยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีเรื่องอะไรแต่กล่าวสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำเรียกว่าอนุาสา์เป็นการชี้โทษชี้คุณให้เห็นเป็นการป้องกันไว้ก่อนกล่าวต่อหน้าเรียกโอวาท ส, ส่งสารไปเรียกอนุาสาด กล่าวคราวเดียวเรียกโอวาทกล่าวบ่อยๆ่อยพสอนเรียกอนุสาสตร์ทั้งโอวาทและอนุสาสตร์มีความจำเป็นมากสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์การปลูกฝังลูกหรือลูกศิษย์ให้ดีพ่อแม่จะต้องหมั่นตักเตือนสั่งสอนชี้โทษชี้คุณของการกระทำต่างๆปราศจากหลักอันนี้เสียแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ได้รับความนับถือจากลูกครูอาจารย์ไม่ได้รับความเคารพยำเกรงจากศิษย์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 ต้องพยายามทำหน้าที่ของตนจนสุดความสามารถควรโอวาทสั่งสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นควรลงโทษหรือให้รางวัลก็ทำอย่างนั้นควรแก่กรณีแม้ลูกหรือสิทธิ์อาจไม่ค่อยพอใจในวันนี้เพราะไม่ได้ประพฤติอะไรตามใจชอบแต่เขาจะต้องรักในวันหน้าเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและร ะ, ะลึกถึงเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เขาต้องรับผิดชอบเขาเข้าบ้าง เมื่อบคุคคลเป็นผู้ใหญ่ขึ้นย่อมจะต้องไขค ร, ครวนย้อนหลังอยู่เสมอว่าตนได้รับสิ่งใดจากใครมาบ้างอันกลายมาเป็นความรู้ความสามารถความดีงามอันตนได้เห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเขาพิจารณาเห็นแล้วย่อมนอบน้อมบูชาคุณของผู้ที่ได้ปลูกปันตนมาด้วยความเหนื่อยยากลาบากการลงทุนอบรมสั่งสอนคนปลูกฝังลูกหรือสิทธ์จึงไม่เหนื่อยเปล่า นอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองแล้วยังจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอีกด้วยคนพานเท่านั้นที่เกลียดชังบัณฑิตผู้โอวาทสั่งสอนด้วยความหวังดีเรื่องประกอบมีดังนี้ภิกษุอัศเชและปุณพพระสุกะภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นสถิงวิหาริกวงเล็บคือศิ์อุปชาของพระอัครส า, าวกคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะ แต่เธอทั้งสองเป็นอรัชีวงเล็บหรือไม่มียางอายในการทำชั่วเมื่อเธออยู่ที่กีตาคิรีวิหารมีภิกษุ500รูปเป็นบริวารล้วนแต่มีนิสัยชั่วช้าลา ม, มกทั้งสิ้นกระทำอนาจารหลายอย่างวงเล็บความประพฤติอันไม่ควรความประพฤติลา ม, มกเช่นปลูกต้นไม้ถางเองบ้าง อันนี้ให้ความหมายว่าพระที่ชอบเล่นกล้วยไม้สมัยนี้จัดอยู่ในประเภทเล็ดต้นไม้กระถางหรือไม่โปรดลองพิจารณาดู <c oughs> อาจารย์วสินใช้ให้เขาปลูกบ้างได้ทำการประทุษร้ายตระกูลคือประจบครือขัดด้วยวิธีการต่างๆเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาจากความประพฤติเช่นนั้นอาวาสจึงไม่เหมาะที่จะเป็นที่พำนักของภิกษุผู้มีศีลทาอาวาสให้เป็นที่อยู่ของพระอาราชี พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงทราบข่าวแล้วทรงให้เรียกพระอครสาวกทั้งสองมาเฝ้าตรัดว่าสารีบุตรและโมคลานะเธอจงไปยังกีตาคิรีวิหารจงโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นพวกใดไม่เชื่อฟังจงทำปปาชนียกรรมวงเล็บคือไล่ออกจากหมู่คณะแก่เธอพวกใดเชื่อฟังจงรับไว โอวาทพร่ำสอนต่อไปผู้กล่าวสั่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของผานแต่เป็นที่รักที่ปรารถนาของบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโอวเทยานุสาไสยเป็นอาทิมีนยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นฝ่ายพระสารีบทและพระมหาโมคลานะไปที่กีตาคิรีอบรมสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่บางพวกยอมรับโอวาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่ บางพวกร้อนใจศึกเสียบางพวกถูกประภาชณียกรรมเรื่องที่ส ม, มีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนพระพุทธภาสิทธนะพภเชปาปเกมิตเตนะพภเชปุริสาทะเมพระเชตมิตเตกัลยาณีพระเช ท, เเเทปุริสุตตะเม คำแปลบุคคลไม่ควรครบมิตรเลวไม่ควรครบคนต่ำช้าเลวทรามควรครบกัลยาณมิตรควรครบบุรุษผู้สูงสุดอธิบายความคนใดพอใจในอกุศลกรรมในความชั่วคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วคนนั้นชื่อว่าเป็นคนเลวการครบหาสมาคมคนเช่นนั้นชื่อว่าคบกับคนเลวไม่ควรครบคนเช่นนั้น คนใดชักชวนในทางเสื่อมเช่นชักชวนเล่นการพนันชักชวนให้ประกอบมิจฉาชีพมีการลักเล็กขโมยน้อยตัดช่องย่องเบาเป็นต้นคนนั้นชื่อว่าเป็นคนต่ำสามวงเล็บปุริสาธเมไม่ควรครบคนเช่นนั้นคนใดมีลักษณะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วคือไม่พอใจในอกุศล แต่พอใจในกุศลชักชวนผู้อื่นให้ประกอบกรรมดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นกัยาณมิตรเป็นบุรุษผู้สูงสุดควรครบคนเช่นนั้นเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมมีแต่ความเจริญเป็นเบื้องหน้าพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาสิทินี้เพราะทรงปรารบพระช น, นะขณะประทับอยู่ในวัดเชตวันมีเรื่องย่อดังนี้ พระช น, นะคืออดีตนายช น, นะที่ส่งเสด็จพระาศาสดาคราวออกมหาพิเนศกรมคือออกประหนอดต่อมาภายหลังได้บวชในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เป็นคนมีทิฐิมานะจัดถือตนว่าเป็นข้าเก่าของพระาศาสดาชอบพูดด่าว่าภิกษุทั้งหลายมีพระอัครสาวกเป็นตนว่าเมื่อคราวเราตามเสด็จพระาศาสดาออกมหาพิเนศกรมไม่ได้เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียว แต่ต่อมาบัดนี้ท่านพวกนี้เที่ยวบอกกล่าวโยว่าเราคือสารีบุตรเราคือโมกขลานะพวกเราเป็นอัครสาวกดังนี้เป็นต้นรวมความว่าพระชนนะพูดด้วยความน้อยใจที่ตนมิได้รับการยกย่องในฐานนะอันสูงเช่นพระสารีบุตรพระโมคลานะในฐานนะที่ตนเคยเป็นข้าช่วงช้ายมาก่อนพระศาสดาทรงทราบ พ, พฤติกรรมของพระชนนะแล้วทรงสั่งสอนพระชนนะมิให้ประพฤติเช่นนั้น พระชนะไม่ได้โต้เถียงพระาศาสดาเธอนิ่งเฉยเสียแต่พอออกจากที่เฝ้าแล้วก็ไปเที่ยวด่าว่าเสียดสีพระอัครสาวกต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนถึงสามครั้งว่าไม่ควรทําเช่นนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมควรครบพระอัครสาวกทั้งสองนั้นโดยเคารพพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตในช่วงนี้เองว่า ณพระเชปาปเกมิตเตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นแม้กระนั้นพระชันะก็ยังด่าว่าพระอันตสาวกและขูภิกษุทั้งหลายอื่นอยู่อย่างเดิมภิกษุทั้งหลายได้นำพฤติกรรมของพระชันะขึ้นกราบทูลพระาศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ชันะไม่รู้สึกตัวกลับตัวไม่ได้แต่เมื่อเรานิพพานแล้วชันะจะกลับตัวได้ ต่อมาเมื่อพระาศาสดาจวนปริณิพานพระอานนทูลถามว่าควรปฏิบัติต่อพระช น, นะอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ลงพรมทันวงเล็บการลงโทษไม่ควรคบหาสมาคมด้วยปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆได้ตามปรารถนาไม่ตักเตือนไม่ว่ากล่าวสั่งสอนเมื่อพระาศาสดาปรินิพานแล้วพระอานนท์ประกาศพรหมทันแก่พระช น, นะถกลางสง พระชนะทราบดังนั้นเป็นทุกข์มากเสียใจเป็นลมลม้มสลบทึงสามครั้งเมื่อฟื้นขึ้นได้อ้อนวอนพระอาหนุนว่าท่านผู้เจริญขอท่านอย่าทำกับกระผมอย่างนั้นเลยอย่างให้กระผมต้องชิบหายเลยด้วยอาการอย่างนี้พระชนะรู้สึกตนกลับตัวบาเพ็ญวัดปฏิบั ต, ติต่างๆอยู่โดยชอบไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิธาทั้งหลาย เรียกว่ารู้ว่าเป็นผ่านและกลับตนเป็นคนดีได้ก็เรียกว่าบัณฑิตได้เหมือนกันคนผ่านรู้ตนว่าเป็นผ่านก็ยังจัดว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างเพราะเหตุนั้นถ้ากลับตัวได้ก็กลายเป็นบัณฑิตได้เช่นเดียวกัน